<c oughs> เราก็ได้ยินของเก่งได้ฟังของเก่งที่โชออกมาเป็นภาษาองพูดออกมาจากหัวใจของพระพุทธเจ้าให้เราได้ยินได้ฟังกันที่ว่าธรรมาจักกะวัตรละสตร เป็นธรรมเทศนากันแรกทำให้รรเกิดเป็นพระหันขึ้นมาในโลกแล้วก็มีอย่างนี้โชว์ให้เห็นอย่างนี้ให้ได้ยินอย่างนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อเราได้ยินแล้วของจริงเป็นอย่างนี้ก็ทำได้อย่างนี้จากสามันชน วรรมาพอศึกษาพอนำมาปฏิบัติก็เกิดจากนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่โชว์ให้เห็นเต็มหน้าเต็มตัวเต็มตาเราปฏิจสธเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ก้มค่าที่เกิดมายิ่งเวลาเราปฏิบัติ ทำตา ม, ตามคำสอนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาใส่เต้าไปทำอะไรจึงเกิดจากนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่มาจากไห น, นไ ม, ม่ต้นเหตุต้นตออยู่ที่ใดก็อยู่ที่ การปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเพราะอยังที่เราทำกันอยู่นี่ใ น, นเดือนพเดือนหกนั้นทำอย่างไรจึงเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก่อนที่จะมีตรรมเทศนากันนี้ เกิดมาจากที่ไหนต้นตอเกิดจากอะไรก็เรียกว่ามันมีอีกกลับขึ้นไปดูลากเง่าตรองต้นเหมือนเราจะเอาต้นม้ลูกไม้ต้องหาต้นให้เหมือนถูกจึงจะรู้จกมาจากนี้ก ปลูกขึ้นมาสมัยก่อนว่าเคยได้ฉันต้นเอากะโดคนวมงฉันนำมาปฏิบัติที่นี่ำมาให้ฉันก็เห็นว่ามันมีมันม่ต้นยังไงเรามาเม็ดมาเพาะมาปลูกก็ได้กิน ปูก้นแล้วมันก็เป็นลูกไม่ยังไม่ได้กินเห็ดกับลอกกินหล่นลงเต็มดินเอามาฉันมาทานดูมันก็ดียังได้กินไดยลูกมันมาปลูกมาฉันไลกด็ดีมีเห็ดมีเบื้องต้นท่าการที่สุดในความถูกต้อง เพริชีวิตเานี่จึงพากันปฏิบัติตามตามตอ น, นันเป็นดันหกว่าพระพุทธเจ้าทวนและวดขึ้นมาทำอย่างไรก็นั่งคู่แขนเข้าเหยียดแสนออกรู้จึกตัวเรียกว่ามีสติไปในกายอยู่เป็นประจำนี่ต้นอยู่ตรงนี้ เราก็เลยเรียกว่าเก็บอารมณ์เช่นนะอะไรที่เกิดขึ้นกับกวากับใจเช่นอย่างลอยไม่ใช่วันสี่สิบวันนับวันไม่ใช่เลาวันหนึ่งวันที่นั่นที่นี่ไม่ใช่การเชื่อมอยู่กับารากฏที่เกิดขึ้นกับกวากับใจให้เปลี่ย น, นมาเป็นความรู้ทั้งหมดนอกกายนอกใจก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้ทั้งหมด มาหลงที่ให้มาลงที่ความรู้จึกตัวทั้งหมดนี่จึงจึงเรียกว่าเชมอย่าไปทางอื่นเราเคยใช้พิดไปทางอื่นมา <c oughs> อะไรเกิดขึ้นกับกายกับายก็พอใจไม่พอใจมันไปทางโน้นไปทางโลกไม่ใช่มาทางธรรม จะมาทางตรงก็กลับมารู้จักตัวอย่างนี้ถ้ามันเคยกินมันหลงก็รู้จักตัวมันลูกก็รู้จักตัวมันผิดก็รู้จักตัวมันถูกก็รู้จักตัวมันสงบก็รู้จักตัวมันพุ่งส้านก็รู้จักตัวอย่างนี้เรียกว่าเข้มเปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวเรียกว่าปฏิบัต ปฏิบัตคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีมันมีไม่ดีเกิดขึ้นที่กาที่ใจเหล่านี้อาจจะเปือบเพื่อนมาบ้างหรือมากก็มีลางชีวิตใช้ชีวิตแต่เปรตปะมาไม่เคยรู้หลักการใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็เคยเขียนปทะทามอื่น พระเจ้าตรัสสอนว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้มารู้จิกตัวเนี่ยเห็นกายจากว่ากายอย่างนี้คือเห็นมันเคลื่อนไหวอยู่เท่านี้เป็นเจนชี้วัดมีสติเป็นเจนชี้วัดอาศัยกายเป็นนิมิตเป็นที่เกาะไว้เรียกว่ากรรมาฐานที่ตั้งของการกระทํา ตั้งของการกระทําต้องมีการกระทําที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่จิตเอาด้วยเหตุด้วยผลสัมผัสให้สัมผัสสัมผัสกับความหลงสัมผัสกับความรู้ในคราวเดียวกันอย่าให้มันไปทางอื่นอาจจะมีรสชาติต่างกันเวลามัน เกิดไหลขึ้นมาก็รู้จักตัวความพอใจมันไปทางอื่นความไม่พอใจความผิดความถูกมันไปทางอื่นให้กลับมารู้จักตัวอย่างนี้ววรนเรียกว่าปฏิบัติธรรมจึงจะเลิกว่าเข้มได้ยจะปล่อยทิ้งจะปล่อยความพอใจและความไม่พอใจในชีวิตเรา วางสอกลับมานี้มันอาจจะคินทางนั้นบ้างให้กลับมาทวนกระแสให้ทวนกระแสถ้าไม่ทวนกระแสมันก็ไหลไปตามกระแสกกทุ ก, ก็เป็นทุกอปทุก็เป็นทุกไปมันน้าที่มันไหลป่าถ้าตายเท่านั้นจึงไหลาตามน้า ก็ปาที่เป็นมันก็ไหลทวนกับเสอได้ชีวิตของเราที่ไม่เป็นปาตายคือปาเป็นหลงไม่เป็นหลงคือลู่นี่มันกับชีวิตที่ปาเป็นมันก็เป็นอย่างนี้ จ, งจึงจะไปสู่มรรคสุผลได้แล้วจะมีความเกิดความแกความเจ็บความตาย ม, มันทีจะไม่มีกระปาเป็นมันไม่ได้ปล่อยไปตามเก็บเป็นเก็บ ทกเป็นทุกมันเก็บเห็นมันเก็บมาถึงเป็นผู้เก็บนี่คือปาที่เป็นชีนนนวิตที่คนที่เป็นมันต้องเป็นอย่างนี้ น, น, นัตนสนตนใหงเริ่มต้นไปตอนนี้มันจะเก่งไปเรื่อยๆไม่ต้องประหยากได้วุญได้นนสวรรค์ น, นี่เปน็นทําเอามันจะเกิดขึ้นมาวอนวอนไม่ได้ให้มีการกระทํา สิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากการกระทําเท่านั้นพวกเราจึงพากันมาเป็นแนวเดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล่อมเดียวกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนเดียวกันมิตรดีจหายดีเพื่อนดีสิงเวดล่อมดีมีทุกข์ก็หมดทุกข์มีอะไรเกิดขึ้นก็หมดได้ ว่าใช่ตัวเราันเดียวเราก็นั่งเคียงข้างกันอยู่เอาจึงน้าจใจใจใจอย่าไปทำอย่างอื่นซะไอเดินอยู่ลงสนาม น, นี่เอากายเอใจนี่แหละเป็นเอารูปบนน้ำนี่แหละเป็นตำลาเป็นสนามเผย การฝึกต้องสัมผัสจริงๆไม่ใช่คิดเมื่อเราทำงานทำนา น, น, า, นามันใช่ไม่มีต้นเท่าจากต้นหนกในป่าหญ้าดินก็เป็นดินอย่างอื่น ต, ต้นไม้อื่นอยู่เทน่ต้องควนต้องถอย ต้อปลข้าวแม่ต้นอื่นเกิดขึ้นมาก็ถอนทิ้งไปให้ต้นข้าวมันขึ้นรดน้สุดาข้าวโหทิคือจิตปัญญาเหมือนกันอะไรจะมันเกิดขึ้นมาม่ช่จิตเยอะแยะปข้าวอจจะไ้ญาแต่ไม่รู้จักใช้แตไม่รู้จักทำทําไม่เป็น อาจจะถนอมต้นหญ้าก็ได้มันงามขว่าเช่นทุกอย่างเนี่ยมันมีรสชาติเคยกินเสร็จแล้วถ้าโกรธก็ไม่ลืมบางทีก็คิดอย่างนั้นอนความไม่ทุกข์มันมีอยู่แต่ไม่เอาไปทำตามความโกรธความทุกข์ซะเลยติดจริงเหล่านั่นเป็นจริตนิสัยก็มีเป็น จงเหมือนเกิดการทำนามีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาการทำนาปลูกข้าวมาเช่จะมีต้นข้าวจะต้องมีส่วนดินมีน้ำถ้าหน้ามันมากก็ปล่อยออกถ้าน้มามันน้อยก็ขบเอาไปขบปล่อยน้ำเข้าให้พ่อดีพ่อดี ความเพียรที่เราทำก็ให้พอดีพอดีอย่าเเข่งขื้มอย่าคร่ําเครียดอย่ารีดตัวเองจนเกินไปให้พร้อมเหงาะพอดีตามกำลังของชีวิตเราสติมันอาจจะเป็นต้นก้าเล็กๆช่างสิเวทล่อมให้พอดีพอดี สิ่เวดล่อมคือหลงไม่เป็นไรใสอใจลูกอาจจะหัวหลอกขมหลงนี่คือสิ่งเวดล่อมถ้าหลงเวลาลายก็ไม่พอใจถ้าสงบจึงพอใจถ้าคิดมากก็ไม่พอใจสิ่งเวดล่อมไม่ดีตัวเองสร้างสิ่เวดล่อมให้ตัวงไม่ดีสติีก็เกิดขึ้นได้ยากก็ให้อมเยี่ยมไว้เสมอ พาว่าที่รู้นี่มันไม่เป็นอะไรดรอกมันช่วยทำให้เราได้อยู่ในอยู่ในความปกติได้ไม่หวั่นไหวอันช ก, ก็รู้วันชู ก, ก็รูนี่อะไรคือรู้รู้ตรงนี้ที่แรกอาจจะไม่เคยชินอาจจะเกิดความม่วงเหงาหอนอนมันสวนทาง ใช่ไหมเป็นไหลหัดไปหัดมาก็ได้พื้นที่อาจจะง่ายขึ้นความหลงมันยากความรู้มันง่ายความทุกข์มันยากความรู้มันง่ายอะไรที่มันเกิดขึ้นมาบัญญากมันทําไม่ได้ความหลงนี่ยทำมาได้ความทุกข์ทำมาได้ความโกรธทไม่ได้ความไม่โกรธมันมีอยู่ความไม่หลงควไม่ทุกข์มันไม่อยู่ เราเคยหัดมาอย่างนี้อาจะขั้วเอาขัวเอาง่ายดีมเมาดีถึงหัดตอนสอนตอนนอกถนนอย่างนี้เช็มเนียว่าเช ม, มันคือทำอย่างนี้ไม่ใช่เดินไม่หยุดไม่หยนนอนก็ได้ความรู้จักตัวไม่หนักมันจับจอบจับเสียม เบี้ยแข่งกันใช่อย่างนั้นการแข่งกับความชั่วต้าลงเป็นหล ง, ห, ลงหรือว่าราแพ้เสร็จแล้วล้มไปแล้วความชั่วกความชั่วก็ชนะแล้วสุขเป้นสุข ก, ก็ล้มไปแล้วโอเชิดผู้ที่ล้มนั่นนะไม่ถือว่าเป็นคนแพ้ก็ได้แต่คนไหนที่ลุกเป็น การชนะการแพ้ไม่ใช่อยู่ในสภาพแบบนั้นก็จะลุกขึ้นก่อนกันระหว่างของล่มกับของลุกเนี่ยมัลมกบลุกได้มันหลง ก, ก็ลุกลด้อย่างนี้แล้วจกลุกขึ้นมาจากนี้อันนี้แหละือมนุษย์อยากปัานา ต, ตัวเอง ให้ข้ามแต่ก่อนได้ที่ร่วงที่ตายอยันคนนี้อยข้ามมันอาจจะดีได้ในควงชื่อมา จ, จะดีได้หมองต้นอย่างนี้ในความยากก็จะง่ายได้ความแพร่มา จ, จะเป็นทางชนะได้พอจะแพร่ตลอดไปมันปูทางแห่งใจชนะได้ยืดเหล่านี้เป็นอย่างนี้ ักการปฏิบัติก็มีกรรมฐานช่วยเป็นนิมิตอยู่แล้วความสอนมีเยอะแยะเอามาเป็นเขียงบ่าเชียงไหลเอามาเป็นพลังร่วมลืองเสริมขึ้นมาเยอะแยะเลยมีศรัทธาเป็นพื้นฐาน ม, มีความเพียร มีสติมีสมาธิมีปัญญามันเป็นพลังพลังอย่างนี้ทำให้าาเกิดการตัดสู้ได้อย่าขาดจัดทธาอย่าขาดความเพียรอย่าขาดสติอย่าขาดสมาธิอยาา่าข า, าดปัญญาขาดไได้เหมือนมือห้านิ้วตรงกับพร้อมกันมันทีบแน่นสา อาเนี่เดี๋ยวไปจับมันก็ไม่ได้อะไรสองนิ้วก็ไม่แข็งแรงสามนิ้วก็ไม่แข็งแรงต้องสีห้านิ้วไม่ขาดขามือภละคืออย่างนี้จัตตาภรภัละวิริยะภัละสติพัละสมาธิภัละปัญญาภาลละนี่เคลื่อหลังแห่งการตัดสู่ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเรานี่ ประละอย่างนี้ไม่อาใช่แค่อายุอายุเก็บิปีแปดสปีไม่เกี่ยวอายุหนุ่มอายุน้อยก็ไม่เกี่ยวมาอามาวัดได้เพศบริวัตดกันไม่ได้ประละอย่างนี้เกิดจากการประกอบขึ้นมาได้ทุกโอกาสกับชีวิตเหล่านี้นะ แล้วก็อุ่นใจดีถ้าจะคิดแบบสิ่งแรกด้อมที่ดีสุดยอดแล้วชีวิตของเรานด้อยู่ในสภาพแบบนี้นี่ปลาไม้นิ่งๆไม่ทึบไม่หนาเกินไปนี้แดดลำลี่ลำลายมีเพื่อนมี ม, มีตักเต้นปรากฏเสียงทุบเสียงเทียน ลิบลอยู่ทั่วๆั่วไปเราก็อยู่ในสภาพแบบนี้มีบะเสือหมาธรรมาจากักรที่ได้ ส, สาธยายพระสูตรในเช้านี้ตั้งอยู่บนไปข้างหน้าอยู่เรื่อยในหลักสัจจีในดักปรปลิจาจสมุปบาทเต็นอยู่ในอลิสเสือหมหาธรรมาจากักรนั่นนดษย์น้ำตั้งอยู่บนเนินปูนคอนกรีด มีดอกไม้ประดับมีภาพคู่อาจาย์มีพุทธรูปเก่าแก่มีลานทมหรือว่าพุทธสถานก็ได้ครบมีธงชาติีิธงลถฉับปลังสีในวันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์ต่อไปเนี่ยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ นิมิตถ้าเจดีการตัดชะลุสองอาทิตย์นี่นิมิตถ้าเจดีแล้วย่อยืนประทับทางด้านทิศเหนือของสีมหาโพธิทอดประเนตดดูสีมหาโพยำกระพิบนีอาทิตย์ต่อไปนีกะฉับหลังสีก็มีทงสับหลังสีเป็นทิวแถวอยู่ใน พุทธสถานนั่นก็ว่าได้ประเทศที่เป็นพุทธศาสนาสีลังกาพัมมา่าทิเบตมีธงสับปันลังสีแบงนี้ของเราก็มีธรรมจากก็มีดีพอดีอดทำามาเป็นชีวิตสุดยอดแล้วในครั้งหนึ่งของเราชีวิตนี้ เกิดมาข้างหนึ่งได้ยืนสภาพแบบนี้ิดีเพื่อนดีสหายดีเอาละเอีเกินกว่านี้ไม่มีสำหรับที่ฝึกตนสอนตนอยู่ที่ไหนเอียดแล้วก็เราก็มิเป็นเพื่อนกันจริงๆไมโทษดไม่ทิ้งกันวันพระวัน การพระใหญ่มาท่วมกันทำวัดฉวนมณ์ฟังครูอาจารย์ท่านสอนธรรมดาก็มีทุกวันการทำวัดมีทุกวันถ้า แ, แต่ใครจะสมัครแต่หากว่าเราวยอะบุบบืนเกินไปต้อง่ออกใส่ข้าวบางฉากออกฉากบ้างออกมาดูบ้างให้แบ่งเช่นแฉง ถ้าฝกอยู่ในความอ่ อ, อนแอมันก็อ่อนแอได้แต่ต้องอะไรไม่ได้ได่ยินอะไรไม่ได้ได้เห็นอะไรไม่ได้ก็อ่อนแอไม่มีการกระทบไม่มีการสัมผัสลุ ย, ลยชักหน่อยก็ได้อย่าถานอมเกินไปหลังคนฟักื้นชีวิตที่เจ็บป่วยขึ้นมาก็อย่ามักหผมนอนเกินไปชอบเคลื่อนไหวชอบความสะอาด ลุกลุกจัดลุกลุกจัดเดินลุกจักหัดเคลื่อนหัดไหวบ้างเพืจะแข็งแรงนี่เด็กก็อาบเดดบ้างไปอยู่ในร่มอย่างเดียวนี่คือฝึกตนสอนตนอาจะเชื่อมแข็งในความอ่อนเยาได้เพอยู่ในความอ่อนเยาถนมในความอ่อนเยาเมื่อต้นใหม่ในร่ม ไม่อถูกแดดก็เหี่ยวแห้งหัดต้นไม้ให้มันสัมผัสกับแสงแดดก็เอาเข้าเอาออกไอต้นไมแล้วแดดจะเข้าร่มเงาเข้าออกมันจะปรับตัวได้ต้นไม้ก็ปรับตัวได้ชีวิตเราก็ปรับตัวได้เหมือนปล่ที่เลยอ อ, ออกซิเจนถุงออกซิเจนเวลาปล่อยจะเทลงน้ำเลยมันจะ อันจะชกได้ต้องค่อยๆแก้ถุงออกให้น้ำค่อยๆไหลเข้าให้น้ำอย่าให้เทลงเลยริปามันชกได้ปรับตัวไม่ทันจะบัดร้อนจะบัดหนาวยึดเราเช่นกันบางทีก็ไปที่ใดก็หลงรูให้หลงเป็นหลงนอนแ่ให้หลงเป็นูจ้ะปรับตัวอย่างนี้ บทตอนสอนตอนลักษณะอย่างนี้อาจจะเชง่มแข็งขึ้นง่ายๆถ้ากระทบกระเทืองก็ไม่คอจะเช่มแข็งได้บทเรียนอยู่ตลอดเวลาการฝึกวิชากรรมฐานนี่มาเกิดที่รัวเหล่านี้กายใจนี้รุนสูตรบอก ไม่มีใครไม่มีก็มีใจร้อนก็มีหนาวก็มีเจ็บปวดก็มีขี้เกียจขี้ข้านก็มีขยันก็มีวันนี้แหละเอาลูกเจก็บปวทั้งนา้นจ ะ, จะเรียกว่าฝึกตนสอนตอน้นมีบทเรียนเยอะแยะประสบการณ์เยอะแย ะ, เ, ยะเกิดจากกาจากใจเรานีเรื่องเกิดจากสิ่งอื่นก็มีเหมือนกัน เน่นเอามาหลงที่ความรู้จักตัวพาหลงคิดนี้ค <c oughs> วามรู้จักตัวเป็นแม่งันดาของธรรมทั้งหลายหลงเป็นแม่ของอรรถธรรมทั้งหลายกบ ม, มาหลงที่รู้จักตัวทั้งหมดนี่พอนะ วันเดียวก็จะพอทารณ์ได้ดีนะย่อชีวิตเข้ามาอะไรก็บรูดรูดมันจะย่อย่น ย, ย, ยอดทางให้ใกล้เข้ามาอหลงจนหลงหมดทางก็ไม่ย่อสักทีเดินก็อยู่ที่เดียวเดินอยู่ที่เดียวไม่ได้ไปถึงไหนไปไปผ่านอะไรเลยหลงเรื่องเก่าก็หลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเก่าก็ทุกแล้วทุกอีกด้วยเดินย่ำเท่าอยู่ตรงนั้นอะไปไม่ถึงไหน วิธีเดินเมักคือเดินมักคือไปทางคือไปผ่านไปหลงผ่านไปรู้แล้วถ้ารู้อะไรลงมาที่รู้มันผ่านไปแล้วความหลมอยู่ทั้งหลังแล้วแล้วเดีผ่านก็ไม่อยู่ที่ใกล้มันไกลไปเรื่อยๆไปหรอไกลจากข้าเจ็บไปเรื่อยๆไปยองช่อมอย่างนีู้กบรมสอนตน การฝึกแบบนี้ไม่ใครสอนเราได้ฝึกให้เป็นนะไม่ใช่สอนให้รู้สอนให้รู้เมียคนสอนเยอะแยะสอนให้เป็นเนี่ยเราต้องสอนตัวเองเรามันหลงลูกเป็นไม้เรามันทุกข์ลูกเป็นหม้อยู่ทุกที่ทุกทางได้ได้ตรงกันข้ามตรงกันข้ามทุกเรื่องที่มาเกะกะกากระจรายโรนี่ มีความหลงก็ม่ความรู้เท่นั้นหา ง, ง่ายง่ายมีความทุกข์ก็มีความรู้เท่นั้นหา ง, ง่ายอย่างนี้ ว, ว่าตรงกันข้ามมันน่าจะจนจะไม่ได้จนเป็นผู้ไม่จนคนคนไม่จนคืออย่างนี้มีให้ใชชยมีมากมีฝนได้ใชยเอาเงินถึงโนูน เวลามันแก่มันเจ็บมันตายนู่นมันก็ไม่แก่ไม่เจ็ไม่ตายมันไปถึงนู่นแล้วต้องฝึกอย่างนี้ไปแน่นอนก็ต้องแก่เจ็บตายทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทำนาเป็นทุกด้วยแล้วไม่ต้องตกทุกข์นี่คือชนะได้เย็นไหมเพราะพระเจ้าจะรางถรรมที่เราสาธยายอันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือ เราก็เป็นอย่างนี้เนี่ยทุกได้เห็นแล้วกําหนดรู้ได้แล้วนี่คือทุกเห็นแล้วไม่ต้องมาหลอกว่าไม่ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คือมันเห็นแล้วอย่างนี้แํามไม่แจ้งแล้วอย่างนี้เห็นแล้วยอ้อนเกิดขึ้นแล้วยอ้อนเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเห็นนะ้อว่าอย่างนี้ที่ปลีแสงหงโหยแล้วไปทางนั่นล ะ, ไ, นนละไปทางนั่นแหละมันจะแจ้งไปขึ้นได้าเลย เหยนได้เกิดทุกข์ก่อนรอดได้แล้วทําได้แล้ ว, ลวเอ า, าเป็นความรู้ได้แล้วเนี่เคยทำอย่างนี้อริยสัจสี่ไอย่างนี้มีปฏิวัติสามอาการสิบสองเห็นไม่เป็นจึงพ้นจากเป็นเห็นทุกข์เป็นเป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์มีสามอย่างนี้เห็นหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงเห็นอะไรก็หลุดพ้นเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปหมดเลยไม่จนเลย ออยู่ด้วยกนานดูสู้สู้สู้แล้วต่อก็ไม่เหมาะใจกานสั่งการสอนแล้วเวลาเล่อาจจะสังลาห้อยอาจารย์หลายรูกนี่นี่เร้วนแต่มีสติปัญญาประสบการณ์มาเยอะอาจารย์สงสิทธิ์วันชัยาจารย์ดูอจารย์นุษย์เพียงพอนอกจากนัอก็มิดหัหอยเป็นเพื่อนไมิมกันได้เพียงข้างเราก็มี ให้กำลังใจต่อกันเดี๋ยวแยกไปหมดแล้สวสมควรใช้เวลาน้อกลับมน ะ, ะพร้อมกัน